กลมกลืนมากลมกลืนไปในความมืดมัวเนื้อตัวก็จะหายไปอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดไว้แต่ต้นคือได้บอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช25 2525มีเรื่องตื่นเต้นกันใหญ่ชาวพุทธลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวกันพักหนึ่งแล้วก็เงียบเงียบไปคือกรณีที่เรียกว่าวัติกัน c o u n c i l ทูหรือการประชุมมหาสมัรชาวัติกันครั้งที่สอง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 ซึ่งเขาประชุมกันในปีคศสหนึ่งถึงตรงกับพอสศูนย5ถึงแต่เรามาเจอหลังจากนั้นตั้งนานจึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนโยบายโดยตัวเองก็แปลกใจว่าชาวคริสต์บาทหลวงทำไมเข้ามาสัมพันธ์กับชาวพุทธอย่างดีจนกระทั่งแม้แต่ที่กรมการศาสนาก็ถึงกับตั้งเป็นหน่วยงานเรียกว่าศูนย์ศา ส, สนาสัมพันธ์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 ซึ่งเขาได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้วซึ่งชาวพุทธไม่ค่อยรู้เพราะไม่ได้สังเกตรหรือมัวเพลินประมาทอาจจะมองไปในแง่ดีว่าเข้ามาเป็นมิตรกับเรา